เธอชื่ออะไรบอกทีไม่รู้จักมักจีดูสิถามชื่อทำไมอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้แม้ใจจังดำหนักหนาขอโทษสีฉันมีธุระจะทำตอบฉันก่อนสักคำฉันถามชื่อโปรดตอบมาฉันไม่รู้เอะ ด, ดูสิยายักท่าเฮคนสวย ไม่เพราะเลยเธอโอ้โอละเนอน้องเองเอฉันไม่ใช่น้องเธอแม่มาเจอผู้หญิงเป็นฉันไม่ใช่ผู้หญิงนักแหลงเธอมาแบ่งกับฉันทำไมถามดูอยากรู้จัก ฉันไม่ใช่ไอเสือที่ไหนเพียงถามถ่ายเอาไว้คุยกันขออภัยเธอไม่ใช่นายอำเภอจะได้บอกให้เธอสัมผัสแล้วจดชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สําคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันสยันสัญญารู้ไหมช่วยคุยโมฉันรู้จักพี่ป้าดีจา้าก็ฉันนี่แหละไม่ใช่แล้วใครละ่ะป แม่แสนงอนจริงนะไม่จุ๋มจิ๋มน้อยๆหน่อยฉันชื่อผู้หวงอย่างที่ชื่อจุ๋มจิ๋มฟังชื่อก็เพราะดีแต่พูดมานล้วไม่มีน้ำเลยฝ้าเหรอฉันไม่ใช่น้องเธอแม่มาเจอผู้หญิง ฉันยังชักไม่ไว้ใจฉันไม่ใช่ไอเสือที่ไหนเพียงถามไถเอาไว้คุยกันขออภัยเธอไม่ใช่นายอัมเภอจะได้บอกให้เธอสัมผาดแล้วจดชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สาคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันยันสัญญารู้ไหม